มันมีอยู่แล้วก็ทําให้เราจะต้องทําให้ปรากฏทําให้เกิดขึ้นนันเหมือนกับแต่ละคนมีเมล็ดพืชน่ะเมล็ดพืชแห่งพุทธะอยู่คือตัวรู้สึกตัวนี้เป็นเมล็ดนะเป็นพันธุ์พืชแห่งโพธิเขาเรียกโพธิหน่อยอยโพธิคือตัวรู้สึกตัวและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้มันโตขึ้นเป็นโพธิปัญญาก็เราต้องเอา เม็ดคือความรู้สึกตัวเนี้ยว่าบ่มเพาะภาวนาให้มันเติบโตขึ้นเหมือนเราเอาเม็ดมาขามเม็ดมาฆ่าเนี่ยไปไปเพาะลงดินนะแล้วก็รดน้ำพอได้ลงน้ำทุกวันทุกวันมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นทีละนิดแล่นิดๆจนกระทั่งเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบนั่นแหละตัวโพธิ์นี่เมื่อไหร่ที่เรามาบ่มเพาะด้วยการภาวนาเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงที่มันยังไม่โตเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่จงกระทั่งว่ามันเป็นต้นใหญ่เป็นดอกเป็นผลเป็นใบแต่ว่าโพธิที่เป็นลักษณะต้นไม้เนี่ยมันอาศัยเวลาหลายปีกูจะโตแต่โพธิปัญญาเนี่ยบางทีอาจจะวันเดียวนโตนะวันเดียวโตอย่ามาใกล้ดี๋มันหอนระวัง เพราะฉะนั้นเองก็จึงให้เห็นนะให้เห็นความสำคัญให้เห็นความสำคัญของตัวรู้เนี่ยแล้วก็บางคนมีความอยากอยากจะให้มันโตไ ว, ไว ซึ่งก็บางทีก็จะทําให้มันตายไปก็ได้เหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันจะต้องโตตามอายุของมันว่าห้าปีสิบปีมันจะโตก็ใหญ่ให้มันโตปีสองปีโตเป็นต้นไม้ใหญ่เลยเนี่ยเล่งรดน้ําใส่ปุ๋ยปรากฏว่ามันตายเพราะน้ําปุ๋ยมันเยอะเกินไปหรือโตช้าคนส่วนใหญ่ก็กป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวเท่าที่มีเนี่ยเราก็ค่อยดูแลไปเรื่อยๆต่างสบายๆแต่ว่าทํำไม่ไม่ ไม่ขาดสายนะดูแลเอาใจใส่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องอยากเพราะยิ่งอยากยิ่งไม่ไม่โตเพราะความอยากมันเป็นพิษความอยากเหมือนปุ๋ยที่มันเป็นพิษเนะี่ยใส่เข้าไปมันเข็มตายนะเพราะนั้นทําโดยที่ไม่ต้องอยากเราเอาน้ำน้าเข็มๆไปลดแต่ทําโดยไม่ต้องอยากก็เหมือนเอาลดน้ำที่มันใสๆน้าที่ มันไม่เข็มไม่เสียน้ำปกตินี่แหละก็คือเอาตัวเนี้ไปรถเราความไม่อยากนี้ไปรถทำสบายนะทำไงให้มันสบายก็ทำเพราะว่าเป้าหมายถูงสุดเราต้องการความสบายต้องการความไม่ทุกข์นั่นแหละแต่ทำแล้วมันไม่ค่อยสบายก็ปรับให้มันสบายแต่ก็ทำถ้าทำแล้วมันสบายไม่ต้องทาอีกก็ไม่ได้นะทำแล้วมันสบายก็ต้องทำให้มันสบายนั่นแหละ นะถ้าทําแล้วไม่สบายก็หาทางทําที่มันสบายทํำยังไงแต่ก็ต้องทำโอ้ทําแล้วไม่สบายไม่ทํางนี้ก็ไม่ถูกโอ้อย่าปลูกมันเลยท่านเนี้ยปลูกแล้วมันก็ไม่โตคิดอย่างเงี้ยไม่ก็ปลูกไปก่อนบางคนคิดว่าปลูกแล้วมันไม่โตอย่าไปปลูกมันเลยหรือโตเหมือนกันช้าไม่ทันการดอกต้นไม้ประเภท น, นี้โตระสิบปียีสิบปีเราคิดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปลูกนะดังนั้นจึง ให้ศึกษานะหมายก็ให้ศึกษาโดยเฉพาะข้อนี้เราเรียกข้อโยนิโสมนัสิการก็คือข้อที่เราจะทําโดยละเอียดและแยบคายนะซึ่งวันนี้จึงจะได้กล่าวสรุปในช่วงวันนี้วันนี้เราพูดถึงเรื่องรูปนามนะเพราะพรุ่งนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วพรุ่งนี้คุณเรื่องของเวทนาวันนี้พูดถึงเรื่องกายเรื่องกายกายใหญ่นวัตสนาถึงเรื่องรูปนาม ที่นีในหมวดของกายที่เราดูเนี่ยท่านได้จำแนกวิธีการเพราะความรู้สึกตัวไว้ถึงหกวิธีด้วยกันเพาะความรู้สึกตัวให้มันโตวิธีที่หนึ่งอย่ใช่ลมหายใจซึ่งได้กล่าวมาตอนเช้าแล้วทำไมเราไม่ใช่ลมหายใจก็เพราะว่ามันบางเบาเกินไปนดินมันแห้งแต่เรา ให้น้ำทีละหยดอย่างงี้มันมันไม่ได้ไสู้แดดไม่ไหวความคิดความต้องการความอยากความหวังความปรารถนาความปรงแต่งของเราเนี่ยมันไปทําให้จิตใจของเรามันแห้ง ม, มันแห้งไปจิตใจมันร้อนอะถ้าความอยากความหวังความ มันร้อนเพราะจิตใจมันร้อนจิตใจก็อยู่แห้งถ้าเราเอาความรู้สึกตัวเพียงนินดๆหน่อยๆไปดับนมันดับไม่ได้เหมือนแสงแดดกลา้าน้ำหยดเดียวก็วุ้บหายแห้งไปเลยน้ำน้อยแต่เมื่อมันร้อนมากๆก็ต้องใส่น้าไปเยอะๆเมื่อจิตใจของเราร้อนด้วยความอยากความประหายอยากด้วยตัณหาอุปาทาน ก็ใส่ความรู้สึกตัวไปเยอะๆเหมือนว่าอากาศมันร้อนดินมันแห้งก็ใส่น้ำไปเป็นเยอะๆเป็นถังเลยมันก็มันก็ชุ่มได้นะสู้น้ำไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่ารู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเต็มไปได้วยความคิดความปรุงแต่งความอยากความปรารถนาความทะเยอทยานมากมันร้อนก็ใส่ตัวรู้สึกเข้าไปเก็บตัวรู้สึกเข้าไป แต่ความรู้สึกที่ได้กล่าวแล้วว่าไม่ทำด้วยความอยากถ้าทำด้วยความอยากแล้วเหมือนกับเอาน้าที่มีพิษเนี่ยไปลดตน้นไะม้เพราะความอยากมันเป็นพิษก็หรือไม่เอาน้ำร้อนเอาน้ำร้อนไปรดมันก็ตายเหมือนกันดังนั้นการเพราะด้วยของวิธีวิธีหนึ่งอย่างที่ว่าใช้ลมหายใจนะช่วยก็ได้แต่ว่าหลักๆเอาอย่างอื่นช่วยไว้ด้วย เอาทุกส่วนนะครับต า, าปากหายใจแต่ไม่เน้นหนักลมหายใจเอามาช่วยได้นะทีนี้วิธีที่สองมันใช่คําว่าในอิริยบทสี่ที่เราใช้ตอนเช้ายืนเดินนั่งนอนเอาเข้ามาใช้เราจะยืนให้รู้สึกเราจะเดินให้รู้สึกเราจะนั่งให้รู้สึกเราจะนอนให้รู้สึกนะโดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยเราจะนอนอยังไงนอนแล้วให้มันหลับสบายนอนแล้วก็อย่าไป หาเรื่องมาคิดพอเป็นเวลานอนไม่ใช่เวลาคิดคนส่วนใหญ่ไม่นอนไม่เป็นบอกว่านอนหลับแต่นอนแล้วมันไม่หลับเพราะอะไรเพราะนอนคิดไม่ใช่นอนหลับมันก็มันหลับไม่ได้แล้วก็ไปบน่าโอ้นอนไม่หลับคืนนี้จะไปหลับได้ไงตัวเองไม่ได้นอนหลับอะจะนอนอะไรนอนคิดสมแล้วที่ไม่นอนไม่หลับนั่นนะเราเราต้องการผลอย่างหนึ่งไปทําอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลน่ะนอนไม่หลับ ก็คุณไม่ได้นอนหลับคุณจะหลับได้ยังไงคุณต้องนอนหลับสิอันนี้คุณนอนคิดอ่ะใช่ไหมจาไว้ว่าวันนี้นอนไม่หลับใช่ถูกต้องนอนไม่หลับเพราะคุณไม่ได้นอนหลับคุณนอนคิดเราก็เริ่มนอนหลับนอนก็หลับตาเฉยๆนี่แหละให้กายไม่หลับไม่เป็นไรแต่ให้ใจมันหลับ ถาลับทั้งกายทั้งใจมันก็ดีหมายความว่าไงคือหมายความให้ใจของเราเนี่ยมันหลับจากความคิดปรุงแต่งหลับจากอาดีตอนาคตให้มันพักเพราะฉะนั้นเวลามานอนหลับอามาไม่ได้คิดว่าจะต้องหลับแต่ทําใจให้มันหยุดในสิ่งที่เราไม่ต้องการอถึงเวลาพัก ก็ดูกายไปกายมันรู้สึกยังไงดูความรู้สึกไปรับรู้เบาๆรับรู้ลมหายใจเบาๆรับรู้ความรู้สึกกายเบาๆไม่ต้องหาเรื่องมาคิดแล้วก็ปล่อยวางไปปล่อยวางแม้กระทั่งจะอะจะรู้นะั้นรู้นี้ก็ไม่ต้องรู้แล้วความคิดยิ่งมันไปยุ่งใหญ่แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หลับไม่เกินนาทีสองนาทีลนะทีนี้เรีบบทสี่นี่ เป็นวิธีการที่จะทําให้เกิดความรู้สึกตัวเมื่อปรับ idea บทเปลี่ยนทบทแต่และครั้งเนี่ยให้สังเกตสังกาในส่วนเธอข้างนอกหรือข้างในด้วยส่วนข้างนอกก็คือการเคลื่อนการไว้การยกการย่างการนั่งการเดินให้สังเกตว่าเราทําอย่างไรชา้าเร็วหรือหนักเบาสังเกตในส่วนที่เป็นข้างนอกนะ ในส่วนที่เป็นข้างในเราในส่วนข้างในมันเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงในขณะที่เรายกเราย่างเราเหยียดเนี่ยมีไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงเจ็บปวดหนักเบามีก็ให้รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้มีนะก็ให้รู้ในส่วนนี้เขาเรียกว่าอิริบุย่อยอิริบุย่อยนี่มีเยอะนะภตาปากหายใจเรือดายเลคามแต่ใน ในส่วนของยีบดย่อยท่านแบ่งไว้ถึงเจ็ดหมวดแต่ในส่วนของอีบทหยาบท่านแบ่งไว้สี่ยืนเดินนั่งนอนแต่ในยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันมีอีบดย่อยแทรกไปอีกถึงเจ็ดหมวดเช่นอะไรเช่นการเดินยืนเราไม่ใช่ยืนเฉยๆแล้วนะมีการเดินเดินก็ไปเดินหน้าถอยหลังและขณะเดินแล้วก็ไม่ใช่เดินเฉยๆนะ <c oughs> มีการกุ่มกันเงยเหลีวไส้หลขวานะอันนี้เขาเรียกว่าอภิเกันเตปฏิกณฑเตเดินไปข้างหน้าเดินถอยกลับมาข้างหลัง <c oughs> อาโลกีเตวิโรกิเตเหลียวไปไสเหลีวเครืงขวาให้รู้แต่ว่าเราเคยไม่ว่าตั้งใจที่จะเหลียวไหมตั้งใจจะเหลีวไสมีไหมส่วนใหญ่เหลียวไปโดยที่ไม่รู้อ่ะนะปั๊บไปเลยอ้าวมันนี่หน่อยมันไปของมันเองอ่ะแต่ที่เออ เป็นไงวันนี้เราก็ตั้งใจเหลียวไปสิตัวนะอโลกิเตอันที่สามว่าปาสาลิเตซัมมินชิเตมือเหย็ดออกคูเข้ามาที่เรามาทำไปจังหวะเหยียดออกคูเข้าอันนี้เขาเรียกว่าซัมมินชิเตเอาเข้ามาปาสาลีเตเหย็ดออกไปหรือว่าคูเข้ามาก็เหย็ดออกไปจับโน้นก็นี่ให้รู้เอาเข้ามาอย่ให้รู้เหย็ดออกไปให้รู้นะ สัมมินชิเตเถหลวงพ่อเขียนกันมาแปลงเป็นสร้างจังหวะเสียหมดที่3เนี่ยสัมมินชิเถปะซาลิเตสัมปัชานากาลีโหติหมดที่4นี่บทย่อยเป็นเจ็ดหมวดอ่ะที่ที่สามหมดที่4ท่านบอกว่าสังาติปัตตะเชียวรทฐารณีสัมปทานากาลีโหติถ้าเป็นพระนะจ ะ, ะนุ่งเสบลมทรงชีวอนให้รู้สึกตัวบินทบาท ยกบาทรับบาทห่ทมสังาติใส่ชีวนถ้าเป็นโย ม, มทำอะไระโยมก็ใส่ผ้าใส่เสื้อแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำหวีผมแต่งหน้าทาเล็บให้รู้สึกตัวหมวดที่4หมวดที่หบอกว่า <c oughs> อุจาระปัสสาวะกมีสัมมัญญการิโติจะเข้าห้องน้ำห้องส้วม ถ่ายหนักถ่ายเบาให้รู้สึกชัดๆใจส่วนใหญ่เรารู้สึกหนักเราก็พรวดไปเลยอย่างนั้นรื้ๆๆไปโดยที่ไม่รู้ว่าไปยังไงนี้พอเสร็จเรียบร้อยถึงได้ออกมาถึงรู้อ่อไปหนักไปเบาแต่ให้รู้ตั้งแต่ยกย่างไปหมดที่ห้าหมดที่หอ่ปีเตสายเดคายเ ต, ยเตสัมปชาญนะกาลิโมติ เวลาดื่มเวลาเคี้ยวเวลากินการเคี้ยวการดื่มการลิ้มการเคี้ยวการกืนเนี่ยให้รู้สึกตัวนี่โมดที่หกโมที่เจดท่านบอกว่าคาเตทีเตนิเซเนชาคลิตเตสุเตพาสิตเตตุนทีภาเวสัมปชาญญกาลิโหติให้รู้สึกตัวขณะไป ขณะนั่งขณะเดินขณะพูดขณะหยุดขณะนิ่งนิ่งก็ให้รู้สึกตัวนะตุนฮีพาเวในขณะอยู่นิ่งๆก็ให้รู้สึกว่าเออขณะนี้เรานั่งนิ่งนะไม่แต่ขณะหลับสุดเตขณะหลับก็ให้รู้ว่าหลับด้วยเคยรู้ไหมเวาลาเราหลับเรารู้ตัวไหมฝันว่าได้รู้ตัวก็มีฝันว่าได้รู้สึกตัวนะ แต่ถ้าเราเรามีสติมันก็รู้จริงๆนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะหมายความว่าก่อนนอนให้รู้สึกตัวตื่นนอนมาก็ให้รู้สึกตัวตื่นมาปั๊บเนี่ไปลุกทัื่อพาดเลยนะตื่นปั๊บก็ให้รู้สึกตัวก่อนนะว่าเราจะยกขาข้างไหนยกแขนข้างไหนไปเก็บผ้าไปลื้อผ้าไปพับผ้าเลยให้รู้สึกไปเรื่อยๆก่อน อีบุตรเยอมีทั้ง7หมวดนะเก็บละเอียดหมดแต่เวลาในภาคปฏิบัติเราก็เอาเก็บจับเอาเท่าที่เราจับได้นั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ความรู้สึกตัวมันถี่ขึ้นให้มันมีกำลังความถี่มันสูงความถี่สูงมากเท่าใดความสะเียนความนิ่งของสติ สัมมชัชย์ยะก็มากขึ้นเท่านั้นความสว่างสวายก็มากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับเราเปิดเครื่องไฟ ấy. ถ้าเครื่องไฟเครื่องมันหมุนไม่เต็มรอบนะไฟมันก็ไม่นี่ไฟมันกระพริ บ, บหรือไฟมันไม่สว่างแต่พอเราเล่นเครื่องนี่ไฟมันริ่มสว่างแสงไฟเริ่มนิ่งเพราะอะไรเพราะรอบมันสูงมันทีสมมุติสองพันรอบต่อวิเนี่ยนะไฟก็ยัง ไม่ค่อยสว่างเอาเล่นอีกหน่อยเป็นสัมพันธ์รอบต่อวิไฟสว่างแสงนิ่งเหมือนกันเพราะความที่ของตัวรู้สึกตัวมากเข้ามากเข้าจิตของเราสว่างสวายจิตแล้วก็นิ่งนะจิตล้วก็นิ่งมั่นคงพเพราะะพราะความที่ของสติม่สูงทางเดียวกันนะหลักอันเดียวกันนะทีนี้ในส่วนที่ ที่เราว่าการบ่มเพาะความรู้สึกตัวให้เจริญเติบโตหนึ่งการหายใจ2รีบบทใหญ่สี่สารีบบทย่อยสให้รู้ว่าที่เรานั่งได้เคลื่อนได้เย็นนั้นอ่อนแข็งตึงได้นี่เพราะอะไรนะเพราะว่าเรามีท่าสี่ในการยกมือได้นี่เพราะา่าลงใช่ไหมการเคลื่อนไหวได้นี่เป็นท่าลง คนเป็นลมจะเคลื่อนไหวมือได้ไหมจะ ก, กระดกกดระเรียร่างกายได้ไหมคนเป็นลมไม่ใช่เป็นลมนะคนไม่มีลมนะคนเป็นเขาเรียกคนเป็นลมฉลบนะเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะท่านลมมันไม่ทํางานหรือทํางานน้อยนะทำงานเหลือน้อยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวได้ปกติเขาเรียกท่านลมทํางานเราก็ดูท่านลมดูท่านลมดูที่ไหนไม่ใช่ไปดูพัดลมนะดูท่านลมก็ดูการเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวได้นี่คือท่านลม นี่เราดูกันเคลื่อนไหวนี่คือดูท่าดินแล้วที่เรานั่งนิ่งได้เนี่ยเพราะท่าอะไรนั่งตัวตรงได้นี่ยท่าอะไรท่า ด, ดินท่า ด, ดินมันตั้งตรงมันเข้มแข็งมันหนักนุ่งทําให้เรานั่งได้ถ้าท่า ด, ดินไม่ดีเป็นไงจะมานั่งนิ่งไม่ได้ล้มนอนปล่วยท่า ด, ดินไม่ดีกําเริบไม่มีแรงทรงตัว การที่เรารู้ว่าเรานั่งนี่แหละเราแสดงว่าอาศัยธาตุดินแล้วเราก็พิจารณาอ้อธาตุดินไปงี้คือไม่จะเอาดินมาพิจารณานะสมัยก่อนที่เขาทําสมรถะเวลาจะพิจารณาธาตุดินก็เอาดินมาปันป้นเป็นกระินแล้วก็เพ่งดินอันนั้นไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาจะเอาลักษณะของธาตุดินมาลักษณะของธาตุดินคือเข้มแข็งตั้งมั่นเห็นไหมเอาลักษณะตัวเรานั่งโดยความตั้งมั่นโดยความเข้มแข็ง อันนี้คือลักษณะของธาตุ ด, ดินเอารักษณะมาไม่ใช่เอาตัวดินมามีปริศนาต้องเอารักษณะอาการของมันมาใช้เร ว, ว่างธาตุ ด, ดินนะเราธาตุน้ำก็ประสานธาตุไฟลักษณะของธาตุไฟเป็นไงลักก็ให้ความอุ่นความเย็นความร้อนในร่างกายในร่างกายของเรามีไหมมีลักษณะที่มันเจ็บมันปวดเนี่ยเป็นลักษณะของธาตุอะไรธาตุไฟ ธาตุาไฟเดี๋ยวมันไหมข า, าเดี๋ยวมันไหมแขนเดี๋ยวมันไหมเอวเดี๋ยวมันไหมไหล่อาการเสียปวดนี่เป็นลักษณะของธาตุไฟอ๋อที่เราเจียปวดตัวนี้ก็รู้ว่าอ๋อมีไฟไหมขาแล้วนะทำไงให้มันดับไฟอะ่ะถ้าไปไหมใจเป็นไงใจก็ร้อนใช่ไหมไหมใจใจที่มันคิดเนี่ยเพราะธาตุธาตุไฟและธาตุรูรวมกั น, นไหม อาการที่ไม่สบายทั้งหลายเนี่ยเป็นอาการของธาตุไฟไหม้ตรงนั้นเดี๋ยวไหม้ตรงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเราอะไรไปดับทีนี้เอาน้ําไปดับไม่ได้ต้องเอาสติไปดับก็คือบําบัดนั่นแหลมีรู้สึกตัวก็บําบัดเอาความหนักน่วงท้งท้าความปวดความเมื่อยความไม่สบายนั้นออกไปเสียเพราะมีสติเข้าไปดับนี่ พิจารณาธาตสีดินน้ำเนลวไฟพิจารณาอย่างนี้สติเกิดไหมเกิดเพราะสติเข้มแข็งขึ้นมาต่อไปย่อยจากธาตสีมันก็มาเป็นอาการอาไรในตัวเราอาการสาสองผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นอาการของม น, นะไม่ใช่ไปเพ่งผมไปยีงนี้ขนไปนยี่เล็บไปี่ฟันไปี่กระดูกอันนั้นเขาเรียกว่าสมถรถเพ่งที่ละอย่างสมถเนี่ยเราเอาตัวของ วัตถุโมเพ่งแต่ในวิปัสนาไม่ใช่ไปเอาตัววัตถุโมเพ่งแต่เอาอะไรเอาอาการของมันอาการของอาการสามที่สองเป็นไงตอนนี้สบายหรือไม่สบายสบายก็มีไม่สบายก็มีในร่างกายบางส่วนสบายบางส่วนไม่สบายจึงไปพยยนะิจารณาทุงความสบายไม่สบายเยื่อและอ่อนแข็งเคร่งตึงเป็นอาการออกมาจาก ส่วนรวมของสามสิบสองนะนี่คือไปเพ่งดูท่านใช้คําวัฒวติงสาการพิจารณาอาการของสามสิบสองตัวนี้อาการสามสองเราเป็นไงตดชื้นหรือง่วงเหงาปวดชื้นอาการสาสิสองก็ดีใช่ไหมถ้ามันง่วงเหงาอาการสามิบสองมันก็เป็นไงมันก็หิวทำไมาจึงหิว เพราะไฟมันไหมมันร้อนนะเห็นไหมเราก็เอาอะไรไปดับเอาสติไปดับอีกนี่เห็นไหมมันมันเป็นการเห็นชัดทั้งหมดนะว่าการเพราะสติเนี่ยต้องต้องมาเห็นอาการเหล่านี้ให้ชัดๆแต่แยกแยะแยกแยก่ยอยให้เห็นอาการเพื่ออะไรเพื่อที่จิตของเรามันจะเข้าไปเห็นชัดในแต่ละส่วน มันจะเริ่มมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อได้ไม่ใช่ว่าจะเออไม่รู้สึกอย่างเดียวแต่ไม่รู้จะรู้สึกแบบไหนไมันจะถูกแต่ถ้ามันมีส่วนประกอบที่ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วก็เชื่อมันว่ามันจะต้องถูกละ่ะไปทางนี้นะเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนมันรวบรวมไว้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวยังไงแล้วก็ค่อยดูเข้ามา เรามีหน้าที่เฝ้าดูมีหน้าที่สังเกตมีหน้าที่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแค่นั้นเองแล้วถามว่าสบายไหมสบายนะปฏิบัติแล้วก็ไม่เครียดไม่ตึงเพราะไม่ได้ทำด้วยความอยากแต่ทำด้วยความรู้ไม่ได้ทำด้วยความหลงนะถ้าเมื่อไรเราไปหลงเราไปไงมันก็จะไม่รู้มันก็จะไปรู้ข้างนอกนั่นแหละไปรู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่อง อของคนอื่นน่ะไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนี่ยมันหลงละแต่ถ้ากลับเข้ามาดูตัวเองปับ๊บความรู้ก็ปรากฏอ๋อพอเพิ่ปั๊บมันก็หลงไปเพราะฉะนั้นรู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นไรอย่างที่กล่าวมาตองเช้า่ะนะรู้บ้างหลงบ้างให้มันสมดุลกันถูกบ้างผิดบ้างธรรมดาถ้าหากว่าไม่มีส่วนรู้ส่วนลหลงเลยสมมุติว่าโยมไปทำอาหารนี่นะ พริกมันเผ็ดทาไมต้องใส่เกลือมันก็เค็มแต่ไมต้องใส่อิ่งไปแกงบอนแกงเผือกก็ขันแต่ทําไมต้องแกงมันใส่มะกรูดมะนาวมันก็เปรี้ยวแต่ทําไมต้องใส่เออพอไปผสมในสัดส่วนที่เท่ากันปรากฏว่าคริกก็ไม่เผ็ดเกลือ ก, ก็ไม่เค็มมะขามก็ไม่เปรี้ยวพอดีพอดีอดนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นส่วนสัดส่วนของความรู้ความหลงความไม่รู้เนี่ยให้มันพอหลดพอดีพอดีกันมันก็จะกลายเป็นตัวมัชชิมาปฏิปทาตึงเกินไปมันเหมือนกับเพลวเค็มจัดใช่ไหมหย่อนเกินไปมันก็จืดแต่พอผสมทั้งหย่อนทั้งตึงเข้าด้วยกันมันเป็นกับมัชชิมาปฏิปทาอันนี้คือหลักของมัชชิมาปฏิปทานะ มันก็จะทำให้สัดส่วนของตัวรู้ตัวหลงเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่ที่แล้วมาที่เรากล่าวตอนเช้าว่าหลงเยอะเกินไปตัวรู้วีนิ้เดียวมันถึงไม่สมดุลกันนะนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยจึงทำให้เราได้เข้าใจที่หลากหลายแล้วเราสามารถเห็นเง่มุมที่จะพัฒนาตัวเองได้โดยง่ายใครมีสติปัญญาสามารถประยุกให้มัน คมชัดจัดเจนกว่านี้เราก็เอานะนะแล้วก็ทําให้สนุกภาวนาให้สนุกแล้วเป็นสุขด้วยกันมีสติประมาณหนังสือเรื่มรายสูตรภาวนาให้สนุกพลุกพลุกเลยสตินี่แหละก็ทําไปให้ให้มันรู้สึกสนุกนะเหมือนกับเล่นเกมเล่นเวลาอยู่ไปนั่งเล่นผ้าไฮโดรเนะนั่งเล่นได้ทวารหนุ่มคืนนะ่อใช่ไหมทำไมมันรู้สึกสนุกเหมือนกันนะเรามานั่ง ศึกษาตัวเองมานั่งดูตัวเองมาฟังรู้งโอ้สนุกทั้งคืนทั้งวันคนนั้นไม่นานนะเป็นไงหมดทุกขะแต่ทำไปฟืดฝืดฟืนฟ้นฟืนฟ้นเบื่อเบอื่อยากอยาเบืเบอ่อก็เลิกขยันก็ทำอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไปไหนอ่ะทำตามอยากแต่ถ้าหากท่าทแบบนี้แล้วจะอยากจะเบื่อก็ให้ทำเบื่อก็ทำ ขยันก็ทําขี้เกยียจก็ทําทําไปทำมามันก็ทําให้ลบล้างในส่วนนั้นออกไปมันก็เหลือแต่ตัวรู้นะดังนั้นเองเราจึงมั่นใจว่าสิ่งที่หลงวงพเทียนได้อ้างยืนยันถึงว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็มีเราก็มีแต่ต้องทําอย่างเดียวกับท่านแล้วท่านก็บอกสูตรเอาไว้แล้วว่าในสนิ่งทีานบอกสูตรเอาไว้ต้องทําอยากแยรู้เหมือนท่านก็ทําอย่างท่านเห็นไหม จะถ้าว่าอยากรู้อย่างท่านแต่ไม่ทําเหมือนท่านมันก็รู้ไม่ได้ทําอย่างท่านคือทําก็่อย้ำอย่างที่เราทํานี่แหละทําให้มันรู้เนื้อรู้ตัวทำให้มันรู้สึกปวดโป่งลุ่มเบาสบายทํายังไงมันไม่สบายก็ทำให้มันสบายถ้าทาแล้วมันไม่สบายไปนอนดีกว่าอย่างเงี้ยอนี่เขาเรียกวไม่ได้ทําไม่ได้ทําก็นั่งไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินเดินไม่สบายก็นั่งสลับไปสลับมาก็หาจุดพอดีให้ได้ล่ะ มันจะพอดีแล้วมันจะนั่งได้นานเดินได้นานยืนได้นานเพราะมันพอดีนะแต่ที่มันยังไม่สบายเพราะมันยังไม่พอดีเหมือนเหมือนแกงเนี่ยมันไม่อร่อยเพราะว่ามันยังไม่พอดีในเครื่องแกงเมื่อไรเครื่องแกงพอดีมันก็อร่อยนะดังนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้มีความเข้าใจก่อนเบื้องต้นนะถ้าภาวนาด้วยความเข้าใจนี่มันจะไหวห้าวันเนี่ยมากมากพอละถ้าเข้าใจนะแต่ไม่เข้าใจนู้อย่าว่าแต่ห้า วันสิบวันยี่สวันเดือนหนึ่งมันก็ยังไม่ไปไหนเพราะความไม่เข้าใจนั้นทำด้วยความเข้าใจและทําด้วยใจรักทําด้วยศรัทธามันจะไวนะคาว่าไวในที่หมายค่าจิตของเรามันนิ่งได้เร็วจิตของเรามันรู้สึกสว่างสวัยทำอะไรไม่สงสัยทําอะไรก็คงคิดอะไรก็ปร่งไปหมดไม่มีอะไรค้องขัดสงสัยนี่ลักษณะเป็นจิตของเราก็ แกง่วงเดี๋ยู้สังสังผููสังทนไม่ได้เห็นหยงงงันไปท้วงเร็วอะยกมือปท้วงเร็วอ่ะนะก็หาวิธีอ่ะทําไงมันมันง่วงก็หาวิธีเอาไม่ใช่ว่าทําจ้าวะไม่ใช่กลัวผิดแต่ว่าทํำมันยังง่วง แต่ท so ่านเช่าหวงปูส <laughs> so ังก็ง so so so ่วงเป็นเหมือนกันหมือนนแกด้วเองไม่ทันเหมือนฉะนั้นก็หาวิธีเอานะวิธีการหลวงพ่อเทียนดีอย่างคือมันหาวิธีได้อย่างอิสระไม่มีรูปแบบตายตัวอเรียกว่านักลบอิสระเอนก็นเลยนะทําไงให้มันชนะกิเลสได้ทำไปเลยถ้าหากว่าเป็นติดรูปแบบแพ้กิเลสลุยไล่ไม่ได้แหละทําเหมือนก็ได้ให้มันชนะ ชนะง่วงชนะขี้เกียจชนะฟุ้งซ่านชนะความหมงุดหงิดชนะความรังเลสงสัยได้ก็เป็นเอาแล้วนะนั่นคือยุธทธวิธีก็คือลบแบบไม่มีรูปแบบนะแต่ขอให้ขอใหอ้ทำลายศัตรูได้ก็เป็นใช้ได้นะที่ประธานาธิบดีจีนว่าไงนะไม่ว่าจะเป็นเมอเชียอะไรก็ให้มันอะไระ ให้มันจับหนูได้ก็แล้วกันในมือนะ <c oughs> ไม่ว่าแมวสีไหนอ่ะพันไหนก็ได้แต่ขอให้มันจับหนูเป็นก็แล้วกันความรู้สึกัวมแบบไหนก็ได้แต่ขอให้มันจัดการเรื่องนิวรณ์จัดการกิเลสได้ก็เป็นใช้ได้ลนะนะ น, นั่นเองเครื่องมือก็ใช้เท่าที่จำเป็นถ้าใช้มันหายง่งวงเราก็เลิกใชนะ้แต่ถ้ามันยังง่วงอยู่ก็ใช้ไปอยู่เป็นตนนะันั่ฉะนั้นในอ่า การปฏิบัติแบบนี้ทำให้เรามีศิลปะในการใช้ชีวิตศิลปะในการกินศิลปะในการดื่มศิลปะในการลุกศิลปะในการนั่งศิลปะในการเดินศิลปะในการทำงานซักผ้าถูบ้านถูเรือนมีศิลปะหมดเราทำให้สนุกในการทำงานโยมคนหนึ่งที่กุงเทพ เมื่อก่อนจะเป็นเจ้าของร้านไอเฟอร์นิเจอร์โกเบนะที่โกเบที่สุขุมวิทโอ้มีบ้านแก่ต่างหากมีคนใช้เยอะเป็นสิบๆพอมาเจริญสตินานเข้านานเข้าคนใช้หายไปทีละคนสองคนสามคนในที่สุดคนใช้หายไปหมดเหลือแู่แกคนเดียวเพราะอะไรเพราะเจริญสติแล้วมันไปทํทำงานสนุก คนใช้ทําไม่ทันใจเนยะแกทำไม่ต้องสึกตัวทำเพื่อสนุกในงานในที่สุดคนใช้ไม่มีงานทําก็เลยให้ออกไปออกไปหางานทางอื่นเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ไอต้องเสียเงินจ้างคนใช้มาช่วยทํางานเดินหลายหมื่นพอแกเข้าใจธรรมะแล้วทํางานเองก็เอาเงินจ้างคนใช้ไปทำพุทิถวายพระไปทปําพุทิอยู่เองนชะื่อแกยงชวีวรนณนะ เพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติได้ถูกทางแล้วมันทํางานสนุกทํางานขยันขึ้นเงินก็เหลือนะเพราะแล้วเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าสิ่งไหนไม่จําเป็นมันจะเลิกอย่างน้ำชากาแฟของฟุ่มเฟือยที่เราเคยติดเคยกินเคยแต่งเคยเล่นเนี่ยมันก็จะค่อยตัดตัด ต, ตัไปเรื่อยๆนะไรายได้เราก็เหลือนะแล้วก็ทํางาน ก็รู้จักวิธีทําเมื่อก่อนทำแล้วเกิด ค, ความขัดแยง้งหนักหน่วงทวงทัพทะเลาะแว่งขัดแยง้งถกเถียงกันในงานไม่สบายเพราะอะไรเพราะมันเต็มไปได้วยความอยากแต่พอมาเจริญสติแล้วมันปล่อยวางทาอะไรก็ได้เพื่อนจะว่าหนักนิดเบาหน่อยก็เฉยได้ยิ้มได้งานจะเป็นยังไงก็มุงม่งใจมุ่งตั้งใจทํางานไม่ได้มุนนม่งว่าจะต้องได้เงินเดือนมุง่ง ผลรายได้แต่ทํางานตามหน้าที่ดีที่สุดนี่มีศิลปะในการทํางานดังนั้นขอให้ฝึกนะมันคุ้มค่าจริงๆแต่ในช่วงที่ฝึกใหม่ๆมันก็ยากเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่มันจะทำผู้ป้ามันจะเป็นนะ่ยไม่มีเหมือนกับโยมเนะี่ยถามว่าขับรถคล่องวันไหนเนี่ยโยมก็จําไม่ได้เหมือนกันมาเคยถามโยมเนี่ยโอ้โยมขับรถเก่งจะโยมรู้สึกโยมจําได้ไมั้ยว่าโยมเป็นขับรถเป็นวันไหนมันก็เป็นมาทุกวันนะท่าน เป็นวลนนี้ละหน่อยแต่แรกๆเป็นเงี้ยวโดนแรกไปจะคล่องได้สองสามปีนี่ก็เดี๋ยวชนเดี๋ยวอุบัติเหตุเดี๋ยวนั่นเสียเดี๋ยวนี้หลุดเดี๋ยวนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นคล่องแล้วที่นี่มันไม่ค่อยมีละเนี่ยเหมือนการทำปฏิบัติเหมือนกั น, ก ม, น, กนมันก็ทําไปเรื่อยๆมันก็มีทักษะมันก็เกิดประสบการณ์วิธีการแก้ไขอันนั้นอัน น, นี้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันก็ ง่ายต่อการที่จะแก้ไขปัญหาวกศักไม่กลัวง่วงก็ไม่กลัวมีวิธีแก่เบื่อก็ไม่กลัวมีวิธีแก่ฟุงงร้างก็ไม่กลัวมีวิธีแก้นอนม่หลับก็ไม่กลัวมีวิธีแก่เนี่ห็นไมมันทำเป็นไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าคนที่มีใจรักภาวนานะมันจะเกิดความใช่ใว่าเกิดกุศล น, นะเกิดกุศลข้อกุศลมันก็ทเป็นนะ่ฉลาดทำ แต่ว่าอกุศลคือมันทำไม่เป็นไม่ฉลาดทำสิ่งที่ออกมาก็ไม่ประสมผลสําเร็จจะเป็นอกุศลอกุศลนี่ไม่ใช่ชั่วนะแต่มันทําให้เป็นพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นแล้วเป็นเหตุให้ทําผิดพูดผิดคิดผิดความชั่วถึงตามมาเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดบาปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อกุศลแต่ว่าตัวมันไม่ได้เป็นแต่ถ้าเราฝึกทําเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นซะอันไหนทําให้เป็นก็ทําให้มันเป็นซะ จะอกุศลมันก็เป็นกุศลนั่นแหละพอทําทเป็นแล้วก็พูดถูกทําถูกคิดถูกปัญหาก็ไม่เกิดใช่ไหมพอทำไม่เป็นพูดผิดทำผิดคิดผิ ด, ผดปัญหามันก็เกิดเรียกว่าอากุศลนี่ก็เกิดไปจากตัวรู้นี่แหละกุศลอกุศลแล้วรู้มันก็ทําเป็นนะดังนั้นในเรื่องของรูปนามที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยในภาคปฏิบัตินะวันนี้พรุ่งนี้เป็นเรื่องใหม่ละ ไม่ใช่เรื่อลงลูกน้าแต่ว่ามันเกี่ยวข้องอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปมันก็ว่าวันนี้พูดถึงเมล็ดพรุ่งนี้อาจจะพูดถึงหน่อนอ่อนมาละวันต่อไปอาจจะพูดถึงต้นมันวันต่อไปจะพูดถึงกิ่งถึงก้นวันต่อไปจะพูดถึงผลมันแต่มันก็ต้นเดียวกันนั่นแหละแต่ความรู้สึกตัววันนี้ความรู้สึกตัวที่เป็นสติเป็นยังไงพรุ่งนี้จะพูดถึงความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาเน้นรายละเอียดลงไปอีกนะ ดังนั้นวันนี้ขอให้รู้สึกว่าเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินเห็นขบวนการการเคลื่อนไหวชัดเจนก็ถือว่าเข้าใจอาการของรูปของนามละว่าสัมพันธ์กันยังไงความรู้สึกกับเวทนามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยางไรเห็นแค่นี้เป็นรูปเป็นนามแต่ว่าต้องเอาไปทำให้มันเป็นนะแต่นี่คือหลักการหลักการแตไ่ไม่ใช่ความจริงที่มันจะเป็นความจริงที่มันจะเป็นยมต้องเอาไปทา ยอมไปทำให้ให้มันชำนิชํานาญขึ้นเรื่อยๆเห็นความสําคัญเห็นความสําคัญของการเคลื่อนการไว้การไปกันมาอันไหนที่มันจับไม่ทันมันลืมมันหลงไปแล้วไปตั้งท่าใหม่เผลอไปหลงไปเอาตั้งท่าใหม่ไม่ต้องไปนั่งเสียใจโอ้กูไม่น่าลืมกูไม่น่าหลงกูไม่น่าเผลอไม่ต้องไปนั่งเสียใจกับมันหลงแล้วเผลอแล้วแล้วไปตั้งท่าใหม่ให้ตั้งท่าทันทีเออเดี๋ยวฉันฉันจะไม่หลงอีกฉันจะไม่พลาดอีก นั่นแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามรูปมันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่อยากจะให้มันลืมมันก็ลืมอยู่ดีเราไม่อยากจะให้มันหลงมันก็หลงอยู่ดีเราไม่อยากจะให้มันเจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีเพราะมันยังอยู่ภายใต้กฎเราก็มีหน้าที่บำบัดแก้ไขไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายหรือน้อยลงเท่านั้นเองแต่สนด้าสําหรับด้านจิตใจแล้วนี่สามารถแก้ไขมันหายขาดได้ในแงไงความ ทุกแล้วความหลงหนะแต่นนในง่ของด้านร่างกายแก้ไขไม่ได้มีแต่บาบัดทุกแล้วก็บาบัดไปทุกแล้บำบัดจิตของเราถ้ามันทุกแล้วดับสนิทได้ถ้าแก้ถูกหน้าเพราะนั้นวันนี้เป็นวันแรกนะที่เราได้เราจาเป็นต้องใช้ความรวดเร็วนะเพราะเวลาเราแค่ห้าวันนะนะนะการปรับก็ต้องมาให้มันทัน อย่าไปาประมาทเสียเวลาอยู่ไม่ได้ต้องก็ปรับให้ทันตามที่ที่จะมานําเสนอกแล้วกันส่วนไหนที่นําเสนอก็เอานําไปฝึกไปปรับไปแก้ให้มันทันแล้วก็อันไหนไม่รู้สึกอันไหนไม่เข้าใจอันไหนไม่รู้สึกว่ามันขัดข้องสงสัยถามนะอย่าไปเก็บเอาไว้คนดูกล้องก็หลับ เป็นนุ่กันนะนั่งเฝ้ากล้องหลับไปเลย <c oughs> กล้องดูคนไม่ใช่คนดูกล้องแ ล, แล้วนะ <c oughs> นั้นก็ปรับต้องปรับให้มันตื่นนะ่ะไปแช่อยังไงไม่ได้แช่มันก็หลับ น, ะนั้นรักษณะแล้วตื่นตัว น, ะ <c oughs> นั้นในอช่วงเย็นนี่คุยกันทนี่นี้แล้วใครมีข้อสงสัยถามบ้างว่าดิที่ทําไปวันนี้มีอะไรขัดข้องสงสัยไหม คือว่าสว่างสวัยหมดเลยโอ้ยวัยเกินไปเนานะต้องอว่าคนใหม่ก็มีคุณสมปองเป็นไงงวันนี้พอจะเข้าใจได้ไหมตั้งใจมาไกลนวคุณสงปองมาจะสงขาหน่อนะโทรศัพท์คุยกันมาบ่อย ฟังเทปฟังซีจะมาจนไปจนไปบรรยายทําได้แต่ยังไม่เคยปฏิบัติทักทีเลย <c oughs> โอ้ผมพอวันนี้ผมไปบรรยายเรื่องจะว่าไงเอาคุณต้องมาปฏิบัติก่อนเน้เ น, นมาปฏิบัติหลายครั้งถึงมาอันนี้เป็นยูท่านีตํารวจเป็นแย้มาที่สงขลานอะเมื่อก่อนอยู่ที่สะตูนแย้มมนานีงไอ้สอเดือนนั่นนะเนะอาโอ้ดีนะถ้าหากว่า ในตตรวจ ต, ตามรงพักต่างๆนี้เดียเด๋ยวเก็พาลูกน้องมาปฏิบัติก็จะตำรวจก็จะทำหน้าที่พี่ทักรักษาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะก็ขอให้เราตั้งใจทุกคไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมขอมูทน า, าสาธุแสดงว่าแจ่มแจ้งชัดเจนทุกประเด็นไม่มีอะไรขัดข้องนะก็ขอให้ตั้งใจนะ หมดเวลาพอดีเลยกลับภาคตรงกันอ๋อใช่เนี่ยเราขอบินระบาดโทรศัพท์หน่อยใส่บาดหน่อยไหนบาดอยู่ในเอาของหลวงพ่อไปใส่ก่อนเลยอยู่ในะว่างอยู่นี่นะแต่เอาไปใส่แล้วหายจากกล่องทุกทีนะ่ะหลวงพ่อเนะมีคน ม, มีคนโทรเข้ามาหลวงพ่อทั่วโลกไม่ใช่ที่คนไทยนะถามว่านาบางคนเก็บเก็บอารมณ์อยู่ที่ ต่างประเทศติดอารมณ์แล้วโท ร, ระถามหลวงพ่อแก้ไขยังไงตอนเช้าโทรมาตั้งแต่ตีเนะี่ยพ่อใหญ่ลดนู่นอยู่เฉยเชียเพราะฉะนั้นก็เลยว่าหลวงพ่อมีวาเอาวาดกระดาษก็ได้เนาะยังไม่ได้เอามาพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะคนไหนเอามาก็ใส่